ก็ก บ, บูชาพรัตนไตรกั บ, บูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรุบรายังหลวงพ่อกลมอาจารย์วัฒนาชัยพอาจารย์สุรินอาจารย์ตุ้มขอโอกาสเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็บาสุกุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะ ถ้ารู้สึกว่วงเหงานอนก็ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่มาใหม่อา่ยังไม่คุ้นนะกับการตื่นเช้า <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2517 <c oughs> นับเวลาก็อีก 5-6 วันเนาะก็จะครบ100วันของหลวงพ่อคำเขียน นะที่ท่านจากพวกเราไปนะก็ได้น้อมระลึกถึงท่านนะแล้วก็ทางวัดเราก็คงมีกิจกรรมนะธรรมยารานะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นกิจกรรมนะที่เราได้กระทำแล้วก็สืบทอดเนะจตนารมณ์ของหลวงพ่อนะในการที่จะดูแลนะรักษาป่าไม้ นะธรรมชาตินะสิ่งแวดล้อมนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้อาดินฟ้าอากาศนะไม่แปรปรวนไม่ผิดปกติไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันนะประกอบหิธรรมนะในวันที่1ถึงวันที่8นะเดือนหน้านีนะ้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราจะได้ร่วมกันทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อก็มักจะนับ มักจะถือว่าเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เรามาฝึกฝนนะอบรมตัวเราเองนะเพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะได้มาปลดปล่อยนะหรือปล่อยวางนะความทุกข์นะความหนักอกหนักใจนะโดยเฉพาะ ย, ยิ่งคนที่อยู่ในโลกนะอยู่ในสังคมนะมันก็มีเรื่องหลายเรื่องนะ ที่ทำให้เราหนัก อ, อกหนักใจทุก อ, อกทุกใจนะก็ถือว่ามาวัดป่าสุกโตเนี่ยเรียกว่าได้อ่มาพักพักกายพักใจนะมาปล่อยวางนะความหนัก อ, อกหนักใจนะหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะหรือบางคนอาจจะมีความวิตกังวลนะตอนนี้ก็มีข่าวออกมาเหมือนหลายปีที่แล้วนะ ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวปี2558เนี่ยมันจะเกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะจะต้องเตรียมตัวกันแล้วนะต้องไปหาที่หลบภัยนะก็มีบางคนก็เตรียมนะเาว่าจังหวัดชายภูมินี่ไม่ท่วมแน่นอนนะบางคนก็เตรียมหาสถานที่นะที่จะหลบภัยนะนั่นก็เป็น <c oughs> ความวิตกกังวลนอกที่เกิดขึ้นนะกับคนในสังคม นะถ้าเรามีจิตใจไม่มั่นคงนะหรือว่าไม่หนักแน่นพอเนะี่ยเราก็จะเป็นทุกขนะ์กับสิ่งที่ยังไม่เกิดนะโดยเฉพาะสิ่งที่มีการพูดถึงการมีการคาดเดากันต่างๆนาะนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็พึงรับฟังได้แต่ก็อย่าถึงกับตกตกตกใจมากเกินไปนะเราไม่ประมาท ล้วก็หาทางป้องกันแก้ไขเอาไว้บ้า ง, อ ย, าง อ, อย่างปีหน้าเนี่ยก็คาดการณ์กันไว้ว่าน้าเนี่จะมีน้อยซึ่งตรงนี้ทางวัดของเราก็ได้เตรียมการเอาไว้เหมือนกั น, นเป็นสิ่ง <c oughs> ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบะชนประธานของประเทศเนี่ยเขาก็มองว่ามันจะเกิดความแปรปรวนของอากาศ นะเราจะทำให้มีฝนฟ้าตกน้อยนะนี่ก็จะเกิดความแม่งแรงขึ้นมานะนี่ก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> เกิดขึ้นแล้วก็คาดการนะแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็เอามาเต็มตัวนะถือว่าเราไม่ประมาทนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าวิตกกงวลจนเอ่อทุกร้อนนะทำอะไรไม่ถูกนะอันนั้นก็จะเป็นความทุกข์นะที่เกิดขึ้น <c oughs> ภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีอยู่นะตลอดเวลานะภัยพิบัตนะิจากธรรมชาตินะจากน้ำท่วมนะจากแห่งความแห้งแล้งนะแล้วก็ภัยทางเศรษฐกิจนะตอนนี้นะก็เรียกว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะข้าวของแพงนะค่าแรงก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะบางคนที่จบการศึกษามาใหม่ๆก็ตกงานกันเยอะแยะ นะตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะเราอยู่ที่นี่เราก็อาจจะทราบข่าวบ้างไม่ทราบข่าวบ้างก็ไม่เป็นปัญหานะนั้นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของสังคมนะเป็นภัยที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมทีนี้ภัยเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะถ้าเราไม่มีสตนะิหรือไม่มีความรู้สึกตัวดีเนี่ยเราก็จะหวั่นไหวหนะวั่นไหวไปกับ ภัยต่างๆหรือว่าความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็ดีของสภาพสังคมก็ดีก็ทําให้เกิดความทุกข์ความทุกข์อกทุกข์ใจความวิตกกังวลความกลัวกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นอย่างไรบ้าง น, นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญ ะ, ะไม่มีหลักให้กับใจนะ <c oughs> มันก็จะทําให้ใจของเราเนี่ยนะมันหวันไหวนะลื่นไหลนะไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของโลกก็ดีนะของจิตใจของเราก็ดีเนะี่ยมันเปลี่ยนแปลงของมันตลอดเวลานะมันจะปรับเข้าสู่ความเป็นปกติอยู่ตลอดเวลานะเรียกว่าสมดุล น, นะสมดุลทั้งภายนอกสมดุลทั้งภายใน มันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นแต่เพราะความที่เราเนี่ยมักจะไปยึดถือนะเอาความชอบของเรา <c oughs> ความไม่ชอบของเราก็ดีนะหรือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่ใจเราเหวังไว้หรือวาดไว้นะมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันนั่นเองการไม่รู้เท่าทันนั้นนะถือว่า <c oughs> ทำให้เรามีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เราเอา่อจะปลดปล่อยนะหรือว่าปล่อยวางความทุกข์นะในใจได้เนี่ยก็จำเป็นนะที่เราจะต้องมาเจริญสตินะทาความรู้สึกตัวให้รู้เท่าทัน นะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะก็คือกายและใจของเรานั่นเองการมาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็คิดว่าหลายคนก็มุ่งหวังนะที่จะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องการฝึกสติการเจริญสตินะจเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้เท่าทันนะกายและใจนะที่มันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวน นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะยึดถือนะเอาอย่างที่ใจเราคิดเรานึกหรือวาดหวังไม่ไดนะ้ตรงนี้ก็จะเป็นความจริงนะที่จะแสดงออกมานะให้เราได้เห็นความทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า <c oughs> เราไปยึดไปถือนะในความคิดของเรานะหรือในความคาดหวังของเราโดยที่ไม่ได้ดูความจริงว่ามันเป็นอย่างไร นะเพราะนั้นความทุกข์มันก็เลยเกิดขึ้นนะความทุกข์เนี่ยมันก็มีทั้งที่เป็นทุกข์ที่เป็นเป็นเป็นสภาพธรรมเป็นสภาวะเป็นธรรมชาตินะอย่างเจนร่างกายเราเนี่ยเจ็บปวดนะหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือว่าแก่นะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ทุกข์นะแต่ถ้าเรายอมรับได้ เราก็รับรู้มันเจ็บปว่วยเราก็รักษาไปโรคบางโรครักษาได้โรคบางโรครักษาไม่ได้นะอย่างตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าท่านจันทร์กำพลนะไปตรวจที่สีลาดแล้วนะก็พบว่าเป็นมะเร็งที่ตับระยะสุดท้ายนะหมอเขาก็บอกว่าคงจะอยู่ไม่ถึง3เดือนนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เพิ่งทราบจากใน Facebook ของท่านจันทร์สุริน นะก็เป็นเรื่องที่เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็พยายามรักษากันนะจะรักษาได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปนะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดใกล้ตัวเรานะก็แต่เท่าที่ทราบก็คืออาจารย์กำมพลท่านก็ไม่ได้วิตกกังวลนะหน้าตาท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอ่องสนะนี้ก็เป็นผลจากการที่ได้ฝึกนะฝึกเจริญสติ ได้ผ่า น, นไม่ใช่อยู่ๆมันจะปล่อยวางได้ไปอ่านหนังสือไปฟังเทศฟังธรรมแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปใช้ได้เมื่อเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้ น, นคือความเจ็บไข้ได้ป่วย น, นนี้เป็นสิ่งที่เราก็คงต้องต้องตระหนักอยู่เหมือนกั น, นอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับสังขาร เกิดขึ้นกับร่างกายนะไม่มีใครหลีกพ้นนะ <c oughs> แต่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้สวดเอ่อบทเอ่อกัลยาณมิตรเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเอ่อได้เอ่ อ, อ, อถือเอาพรธเจ้านะเป็นกัลยนานมิตรนะเราก็จะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บนะความตายนะความโศกเศร้านะเสียใจนะตรงนั้นหมายถึงว่าอย่างไรหมายถึงว่าใจของเราเนี่ยยอมรับ นะกับความแก่ความเจ็บความตายได้นะตรงเนี้เราก็จะไม่ไม่ทุกข์กับมันนะก็ดูแลไปนะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษาไปนะรักษาไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยมันนะนี่ก็จะทําให้เราไม่ต้องไปวิตกกังวล น, นะหรือว่าไม่ต้องไปทุกข์นะกับสิ่งที่มันเป็นเป็นทุกข์ตามสภาพนะเป็นสภาวะทุกข์นะที่เกิดขึ้น นะหรือบางทีก็เรียกว่าทุกประจําสังขารทีนี้มันมีทุกอีกอันหนึ่งนะเป็นทุกจร น, นะก็คือความโศกเศร้าเสียใจนะที่มันจะมาเป็นครั้งเป็นคราวความไม่ <c oughs> ได้อย่างที่เราคาดหวังนะนี่ก็เป็นความทุกข์ที่มันจะแสดงออกมานะทีนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะเราก็อาจจะมีความทุกข์นะความทุกชนิดนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นในวันละหลายๆครั้งนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะอันนี้เป็นภยัยเป็นภัยใหญ่นะเป็นภัยร้ายมากกว่าภัยพิบัตนะิที่จะเกิดขึ้นจากภายนอกนะภัยพิบัติข้างนอกก็น่ากลัวแล้วเนี่ยแต่ภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่รู้นะไม่รู้ความคิดไม่รู้ความแปรปรวนเนี่ยอ น, นีเป็นภัยใหญ่ที่เราน่าจะสนใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องอาศัย นะสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวนะจึงจะเห็นเห็นภัยอันนี้ที่เกิดขึ้นนะถ้าเราเห็นภัยอันนี้ที่เกิดขึ้นแล้วนะเราก็จะตื่นตัวนะเราก็จะไม่นิ่งดูไดนะ้ในการที่จะเรียนรู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อหเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นมามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป นะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปนะทีนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราก็จะทุกข์เราก็จะยึดนะสิ่งที่เราชอบเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเรานา น, านๆสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็พยายามผลักไสออกไปนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันหรือบางที <c oughs> เราไปตกกังวลเรากลัวนะเราก็หาที่พึ่งนะ ที่พึ่งอาจจะเป็นตัวบุคคลอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อที่จะให้มันพ้นไปจากภัยนะให้มีความอบอุ่นใจนะไปไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งก็น่าสนใจนะที่จังหวัดแพร่นะก็มีข่าวในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะปรากฏว่ามันเกิดบ่อน้ําขึ้นมาในหมู่บ้านกลางหมู่บ้าน หลายคนก็โอ้ดีใจนะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะก็ไปตักกันมานะเอาไปกินเอาไปผสมน้ําอาบกันอะไรกันนะสุดท้ายนี่หน่วยงานสาธารณสุขก็มาสืบว่ามันเป็นบ่อน้ําอะไรกลายเป็นว่ามันเป็นบ่อน้ําที่มันซึมมาจากห้องน้ํานอะ่ะในบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นนะนี้ก็เป็นความที่ไม่รู้นะความกลัวอะไรต่างๆก็พยายามไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะ <c oughs> คิดว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้นะเพระาะฉะนั้นตรงนี้นี่เองนะเป็นสิ่งที่เราอานะจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้ฝึกฝนนะโดยเฉพาะการเจริญสตินะการที่เรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจให้รู้เท่าทันความกลัวนะคนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยนะอยู่ที่มืดมดืโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมือง แลก็จะมีความกลัวกลัวผีบ้างกลัวตุ๊กแกบ้างในะอย่างคราวที่แล้วก็มีพยาบาลนะมาบอกกลัวตุ๊กแกนะ่ที่มาเข้ากลุ่มคราวที่แล้วแลนะบางคนมาอยู่ที่มืดมืดไม่เคยนอนคนเดียวเลยนะอยู่ที่มืดมืดกลัวผนะีนี่ก็มีเหมือนกันกลนะัวอากาศหนาวกลัวความยากลำบากนะนนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง มันก็จะโดนความกลัวเนี่ยหลอกไปอยู่ตลอดเวลานะความกลัวเนี่ยมันก็เป็นสัญชาตญาณอย่งหนึ่ ง, งที่เราจะทำทำให้เราเอาตัวรอดนะแต่ก็หมายถึงว่า <c oughs> ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะกลัวไปจนตลอดชีวิตนะเรียกว่ามันก็จะหนีนะไปจนตลอดชีวิตคนที่กลัวผีก็กลัวผีไปจนตลอดชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามที่เราหันกลับมาเผชิญหน้ากับความกลัวนะ ตรงเนี้ยเราเ็นเลยว่าโอ้ไอ้ตัวนี้มันตัวหลอกนะมันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นกลลวงของอกิเลสนะของความคิดปรุงแต่งนะถ้าเรามาเผชิญหน้ากับมันเนี่ยนะเราก็จะรู้ความจริงตัวผมิิตมาเองสมัยที่มาที่วัดป่าสุโตโตเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วนะประมาณปี2525าเนี่ยาครังนั้นเนี่ยเงียบเงียบมากที่นี่ นะไปอยู่ที่กุฏิบนใกล้ๆ ก, กับกุฏิเอน่าจะเป็นสิบสามเนี่ยชอสิบสามเนี่ยมันมืดมากนะแล้วก็นอนอยู่คนเดียวกลัวผีไม่งันนะขนาดเป็นพระนะเท่า น, นั้นบวชกลัวผีไม่งันนอนคืนนะแต่ใจกล้าหน่อยนะตอนกลางคืนนอนมันได้ยินเสียงแกลลๆแกลลๆอยู่บนหลังคามันเสียงอะไรผีเปล่านะนะก็กล้าใจกล้าหน่อยเอาไฟฉายไปฉายดูเอา้ามันเป็นกิ่งไม้นะ กิ่งไม้มันโดนลมพัดน่ะและมันกระสีกับสังกรสีมันก็เลยเห็นจริงๆโอ้ไอ้ผีจริงๆมันไม่ใช่อะไรก็ความกลัวผีนั่นแหละมันเป็นผีที่มาหลอกเรานะอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติเราจะไม่เห็นเราจะไม่รู้และไอ้ความรู้สึกอันนี้มันจะหลอกเราไปจนตลอดชีวิตนะ่นะเพราะนั้นการการที่เรามาเจอความจริงเห็นความจริงว่าอ๋อที่แท้จริงมันคืออย่างนี้ นะความกลัวความเหงาความว wow ้าเวนะอย่างช่วงนี้เนี่ยที่วัดเราก็ออกคนไม่มากนะบางคนก็อาจจะรู้สึกเหงาว wow ้าเวนะเรลาเปลี่ยวเดียวดายนะอันนี้ก็เหมือนกันนะความเหงาความว wow ้าเวเนี่ยมันจะผลักดันให้เราต้องไปหาเพื่อนนะไปหาคนนั้นคนนี้หาอะไรทำเราไม่กล้าที่จะเผชิญกับความเหงาคนที่จะหลุดพ้นจากความเหงาได้คือต้องเผชิญหน้ากับมันเลย แต่การมาเชิญหน้านั้นเราต้องมีเครื่องมือสำคัญก็คือความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะเราจะไปเชิญมันตรงๆแล้วบางทีเราก็สู้มันไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลจากการที่เราฝึกนะฝึกเจริญสติเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่ทำให้เราหลุดพ้นหลุดรอดนะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจนะจากก ล, ลวง นะของความคิดปรุงแต่งต่างๆนะตรงนี้เป็นเป็นภัยใหญ่เป็นภยันะนภยร้ายที่เราหน้าจะต้องให้ความสนใจไอภัยข้างนอกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะมันานานๆมันจะเกิดทีหนึ่งแต่ภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นภัยใหญ่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดหลายครั้งมากนะถ้าเราได้ฝึกสติได้สังเกตได้ดูอยู่บ่อย ตรงนี้เราก็จะไม่โดนหลอกไม่โดนความคิดปรุงแต่งมันหลอกหลอกให้ดีใจหลอกให้เสียใจหลอกให้ชอบใจหลอกให้เราเโศกเศร้าเสียใจต่างๆาความโศกเศร้าเสียใจมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ถ้าเรารู้เท่าทันตรงนี้เนี่ยมันก็จะปลดปล่อยปลดวางมันจะหลุดพ้ น, นก็คือการที่เรามีสติสัมปชัญญะคือการตื่นรู้นั่นเอง การตื่นรู้เนี่ยก็คือพุทธะตรงเนี้ยก็คืออาพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่เอาพุทธเจ้าที่อยู่ประเทศอินเดียนูน่นนะท่านปรินิพานไปแล้วนะ 2,000 กว่าปนะีเราคงไปเอามาเป็นกัลยาณมิตรไม่ได้แต่เอาสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือสติสัมปชัญญะนะที่เรียกว่าพุทธะนะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ย เป็นธาตุรู้นะที่มีอยู่ในตัวเรา น, น, นี้เป็นที่พึ่งได้เป็นกาลยนานมิตรได้มันก็จะช่วยให้หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจสิ่งต่างๆความคับแค้นใจนแม้แต่หลวงพ่อคำเขียนท่านก็เขียนเอาไว้เหมือนกั น, นว่าก่อนที่ท่านจะละสังขารไป นะท่านก็นพูดไว้ชัดเจนนะว่าธาตุขันเนี่ยมันคงอยู่ได้ไม่นานแต่ความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยจะมีอยู่ตลอดไปนะก็คือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะจากหลวงพ่อนะเราเามาปฏิบัตินะมันก็จะอยู่ในตัวเรานะตรงเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะพ้นจากภัยนะที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเป็นภัยจากวัตฏสงสาร นะภัยข้างนอกเป็นภัยพิบัตินะ่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยอัคขีภัยโชรภัยนะอันนั้นเป็นภัยที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่ภัยจากวัตตะสงสารคือความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันมีบ่อยๆและมันมีเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้เข้าใจมันเราก็จะทุกข์จนตายนะเรียกว่าโดนมันหลอกอยู่จนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ เ, เรามาวัดป่าสุกโ ต, โตนะมาอยู่ที่นีนะ่ก็ให้พยายามใช้เวลานะกับเรื่องพวกนี้ให้เต็มที่นะนอกจากการได้ฝึกฝนอบรมตัวเราเองแล้วนะในส่วนรวมนะกิจกรรมส่วนรวมเราก็ช่วยไปนะแต่ไม่แต่ไม่ได้หมายว่าจะต้องไปใช้เวลากับเรื่องนั้นจนทั้งวัน ก็นะให้มีเวลานะสำหรับการที่จะมาดูแลกายใจของตัวเราเองนะฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญนะในการที่จะดำรงชีวิตในการที่จะครองชีวิตของเรานะให้พ้นจากภัยจากความคิดปรุงแต่งพ้นจากภัยจากความไม่รู้เท่าทันนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะภายในจิตใจของเราเมื่อเราต้องไปสัมผัสสัมพันธ์กับโลก เนะดี๋ยวพอยังยิ่งคนที่อยู่ในโลกอยู่ในสังคมอนะาศัยช่วงจังหวะหนึ่งเวลาหนึ่งนะมาที่วัดป่าสุขโตมาพักผ่อนกายใจแล้วก็มาเรียนรูนะ้เครื่องมือที่เราจะไปใช้นะในการดํำรงชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขนะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เราจะได้รับประโยชนนะ์จากการมาวัดป่าสุขโตนะ เพราะฉะนั้นเป้าหมายาของการมีชีวิตของชาวพุทธนั้นเราไม่ได้มีเพียงแค่ว่ากินอิ่มนอนอุ่นมีเงินทองพอใช้จ่ายแต่เราจะต้องให้ถึงขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะไม่โดนความคิดปรุงแต่งมันหลอกนะแล้วก็สัมผัสกับความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวาง นะความคิดปรุงแต่งต่างๆเป็นความสุขที่เป็นปกติสุขนะเรียกว่าถ้าเราสวดมงคลสูตรก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่เรียกว่าจิตกเกษมสารนะก็เป็นความสุขเกษมสารเป็นความสุขที่ไม่ได้อิงอามิตรมากเกินไปเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่เป็นปกตินะใจปกติเนี่ยมันหล่อเลี้ยงให้ชีวิตของเราเนี่ยดำรงอยู่ได้อย่างสาันติสุข นะเมื่อเรามีชีวิตที่มีสันติสุขนะเป็นปกติสุขนะมันก็จะเผื่อแผนะ่ไปกับคนที่ใกล้เคียงนะญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะแล้วก็ได้บําเพ็ญประโยชนนะ์เพื่อสังคมนะเพื่อคนอื่นต่อไปอันนี้ก็เป็น เ, เป้าหมายนะของชาวพุทธในการที่จะทําประโยชน์ตนแลนะประโยชน์ท่านไปพร้อมกัน นันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะให้กับทุกท่านนะได้พิจารณาแล้วก็ถ้าเห็นว่าดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะก็เอาไปทำนะก็ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างเองเอาคุณของพระศีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสธรรมความจริง นะที่แสดงหรือปรากฏนะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะที่เราพึงเข้าไปดูให้เห็นนะแล้วก็พระสงฆนะ์ก็คือการประพฤติธปฏิบัตนะิที่เราได้ทำกันอยู่นะทุกวันนะแล้วก็ด้วยความเพียรความพยายามความตั้งใจนะของทุกท่านนะก็เป็นพลวะปัใจจัยให้ทุกท่านนะได้ถึงซึ่งความเป็นปกติสุขนะ ซึ่งเป็นความสุขเกษมสารณที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าได้เข้าถึงได้ในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร